การที่พวกเราแต่ละคนจะได้มาถึงที่นี่ได้ในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้ามองให้ดีๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพียงแค่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้มีสติปัญญาอย่างมนุษย์ปุถุชนนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆ ยากแค่ไหนในพระพุทธองค์ก็ตรัสเปรียบเหมือนกับว่าในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งร้อยปีนี่จะขึ้นมาหายใจเหนือน้ำแล้วก็ในมหาสมุทรนั้นก็มีแอกเป็นแอกไม้เดี๋ยวนี้พวกเราคงไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วนะเขาใช้ กับเทียมวัวเทียมควายนะก็เปลี่ยนเหมือนกับเป็นห่วงนะเป็นห่วงไม้ไเป็นกลมๆอะ่ะแล้วมันมีช่องว่างตรงกลางาการที่เต่าตาบอดร้อยปีจะขึ้นมาสักครั้งและจะมาโผล่ตรงกลางห่วงพอดีเราคิดดูซะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหน มันยิ่งกว่าถูกลอเตเตอรี่สิบครั้งติดต่อกันได้ซ้ำพระองค์พระเถรองตรัสว่านเนี่ยการที่โดยเพราะคนที่อยู่ในอบายเนี่ยจะจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันใช้เวลานานหรือยากยิ่งกว่าเตา่าตาบอดที่จะโผล่ขึ้นมาตรงกลางห่วงพอดี นะในท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญนะ่เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่เราก็ได้เกิดมาแล้วก็นับว่าเป็นโชคคารนี้เกิดมาแล้วเนี่ยการที่ได้เกิดมาในสมัยของพระพุทธองค์ก็เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันนะเราไม่มีโอกาสได้มาเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธองค์แต่ว่า ก็ได้มาเกิดในในยุคที่มพีพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยการที่ใครสักคนจะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังได้มาเกิดในสมัยหรือในถิ่นที่มีพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องยากมีคนจำนวนมากที่เกิดมาแต่ว่าไม่ได้เกิดมาในถิ่นที่มีพุทธศาสนา หรือถึงเกิดมาแล้วในถิ่นที่มีพุทธศาสนาแต่ว่าก็ไม่ได้เจอพุทธศาสนานะก็มีอยู่มากเราเป็นคนน้อยนิดที่ได้มาเกิดในถิ่นที่มีพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบพุทธศาสนาได้พบแล้วก็มีศรัทธาสมาทานศึกษาปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ เป็นหนึ่งในจานวนที่น้อยนิดที่ได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นให้ถือว่าเราได้รับโอกาสที่หาได้ยากมากจะเรียกว่าเป็นโชคอันประเสริฐยิ่งก็ได้ถ้ามีคนจานวนมากที่ไม่มีโอกาสจะได้มาเกิดในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนา หรือถึงเกิดมาก็ไม่ได้พบไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติยิ่งมาถึงตรงนี้แล้วล้วได้มีโอกาสมามาปฏิบัติด้วยการให้ทานรักษาศีแล้วก็มาเจริญภาวนา<ม>การที่ ใครสักคนเนี่ยจะได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญแบบนี้คือว่าได้ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลแล้วก็มาเจริญภาวนาอย่างที่เราทำในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแต่เราก็ได้มาถึงตรงนี้ได้เราลองนึกถึงนะสัตว์จำนวนมากนะที่ ไม่มีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสกับโอกาสอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปก็มีสัตว์จำนวนไม่น้อยนะนะที่อาจจะมีความสามารถที่จะได้สัมผัสกับบางเสียวบางส่วนของพระพุทธศาสนาแต่ว่า ก็ไม่มีโอกาสมากอย่างที่เราได้มีเหมือนอย่างขนานี้เราจะไปคิดว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นเนี่ยเขาไม่มีความสามารถในการที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้หลวงปู่ขาวท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านทุดงในป่าลึกนะ สมัยนั้นก็ยังมีป่าลึกๆอยู่มากแล้วคราวหนึ่งก็มีช้างบ้านเชือกหนึ่งเนี่ยเกิดหลุดออกเข้ามาในในป่าช้างบ้านเชือก น, นี้ก็ค่อนข้างจะเกเรนะพอได้เห็นกุฏิที่หลวงปู่ขาวนะได้เจริญภาวนาอยู่ก็เข้ามาหาส่งเสียงร้อง ไม่พอก็ยังองงวงเนี่ยเข้ามาก่อกวนนะจนถึงมุ้งกลดของหลวงปู่ขาวท่านก็ตั้งสติดีนะไม่กลัวทั้งทั้งที่ช้างตัวนี้ก็ดูจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ท่านก็นั่งสมาธิ คิดว่านั่งไปนานๆเดี๋ยวชา่ำก็คงจะเลิกไปเองแต่นั่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกตาทางจะมารังควานแต่ก็ไม่ได้รังควานถึงขนาดทําลายเข้าของท่านก็เลยตัดสินใจเดินลงมาจากกุฏิแล้วก็มาพูดกับช้างแต่ขนาดมาพูดกับช้านี่ก็ต้องยืนพูด หลังต้นไม้นะเพราะว่าไม่รู้ช้างตัวนี้นี่จะมาทำอีท่าไหนถ้าท่านพูดกับช้างท่านเรียกว่าพี่ช้างนะพี่ช้างพี่ช้างอยู่กับคนมาเป็นเวลานานนะพี่ช้างยอมรู้ภาษาคนนะพี่ช้างยอมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะถ้าพี่ช้างทำตามใจตัวเองก็อาจจะไปขัดใจมนุษย์ มนุษย์ก็อาจจะทำร้ายพี่ช้างได้นะหลวงปู่ขาวท่านก็สอนนะเตือนสติช้างว่าเนี่ยถ้าทำอะไรตามใจตัวเนี่ยมันก็อาจจะไปขัดใจมนุษย์มนุษย์ก็อาจจะทำร้ายอาจจะไม่ใช่แค่ตีพี่ช้างอาจจะถึงกับทำร้ายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นพี่ช้างนี่ก็ต้องอต้องรู้นว่าอะไรควรไม่ควร ถ้าฟังดูก็เหมือนว่าหลวงปู่ขาวนี่ท่านเป็นคนแปลกๆนะพูดกับช้างแล้วก็สอนช้างช้างมันจะฟังเร้อแต่ว่าท่านก็คงมียานอย่างรู้นะถ้าพอสอนช้างแล้วก็บอกว่าให้ช้างเนี่ยมารับศีล น, นะท่านก็ให้ศีลช้างก็ แ, แปลกนะช้างนี่ก็ที่แรกก็ ทาท่าจะก่อกลัวแต่พอหลวงปู่ขาวท่านเทศเตือนสติช้างจนกระทั่งให้ศีลช้างช้างก็สงบนิ่ ง, ฟ, ง, งฟังท่านด้วยดีท่านให้ศีลช้างช้างก็นิ่งเหมือนกับว่ารับน้อมนำเอาศีลไปปฏิ บ, บัติเสร็จแล้วหลวงปู่ขาวก็หวกให้พรช้าวก็ รับศีลไปแล้วก็ขอให้กลับไปนะให้พี่ช้างกลับไปจะได้มีความสุขกายสุขใจส่วนน้องท่านพูดถึงตัวเองว่าเป็นน้องนะก็จะกลับไปเจริญภาวนาแล้วก็จะ อ, อุที่ส่วนกุศลให้พี่ช้างด้วยนะช้างก็เชื่อนะพอท่านพูดเสร็จช้างก็ค่อยๆเดินกลับเข้าไปในบ้านนะไม่มารังควาไม่มารบ ก, กวนอีก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคือช้างเนี่ยเขารับรู้ถึงเจตนาแล้วก็เมตตาของหลวงปู่ขาวอาจจะไม่รับรู้ถึงขั้นว่ามันเป็นอะไรเรื่องศีลนี่นะแต่ว่าก็สามารถทําให้สงบได้อันนี้ก็แสดงว่าสัตว์นี่เขาก็มีความสามารถระดับหนึ่ง แต่ว่าความเป็นเดรัจฉานก็ทำให้มีความสามารถจำกัดในการที่จะทำความดีนะอาจจะมีน้ำใจอาจจะมีความเมตตาไม่เบียดเบียนอาจจะมีความกาตัญญูรู้คุณนะสัตว์นี่เขาก็มีนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อย่างใดก็ตามอย่างที่เคยเล่ให้ฟังว่าฉลามวานนี่ ชาวประมงช่วยชีวิตเอาไว้นะจากจากตะข่ายฉลามไปติดตะข า, ายฉลามวานไปติดตะข า, ายชาวประมงก็ช่วยเอาไว้มันก็สำนึกในบุญคุณหรือว่ารู้สึกเป็นมิตรด้ว ย, วยก็เลยไหว้น้ำตามตา ม, ตามชาวประมง ไปทุกที่เวลาชาวประมงไปน้ำลึกมันก็ตามไปด้วยเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนเล่นกับชาวประมงคนนี้เป็นชาวออสเตรเลียมันก็โผล่หัวขึ้นมาให้ชาวประมงจับจับทักทายตรงจมูกบ้างตรงหัวบ้างนะให้จับครีบบ้างเวลาคงรู้ปลาวานนี่ฉลามวานนี่ไม่ใช่ปลาวาลแต่ว่าเป็น สัตว์เลียงลูกเดนมชนิดหนึ่งนะซึ่งมีสมองมีสติปัญญานะแต่ว่าอาจจะสู้ปลาโรมาหรือว่าสู้พวกลิงไม่ได้แต่ก็แสดงว่าเขาก็มีความรับรู้แต่ว่าแต่ฉลามวาหรือสัตว์เลียงลือเดนนมเลยสัตว์เลื้อยคลานก็พอจะรู้ภาษาคนเหมือนกันนะ หลวงพ่อชาเคยเล่าว่าสมัยที่ของพระพงษ์นะยังไม่เจริญเนี่ยมันจะมีจงอางตัวหนึ่งจงอางหางกุดเวลาหลวงพ่อไปบินธบาลก็คลานมันก็เลื้อยไปตามตามหลวงพ่อไปหลวงพ่อไม่รู้นะหลวงพ่อชาไม่รู้แต่ว่ามันจะไปแค่กลางทางพอไปถึงสารสารแห่งหนึ่งริมริมธามก็ เลื้อยหลบไปหลวงพ่อท่านก็เดินต่อกลับมาก็ไม่เห็นอะไรแต่มีวันหนึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเดินเฮ้าเห็นจงอางตัวนี้เนี่ยมันตามหลวงพ่อไปก็เลยพูดกับชาวบ้านด้วยกันว่ามีจงอางตามหลวงพ่อมาแล้วก็เฝ้าตามเดินตามจงอางนี้ก็รู้ว่ามันหลบเข้าไปในริมทาง ที่ตรงกลางทางพอหลวงพ่อชาบินทะบาทเดินผ่านมาเดินผ่านเดินกลับมาผ่านชาวบ้านชาวบ้านก็บอเนี่ยมีจงอ้างนะเดินเลื้อยตามหลวงพ่อมาหลวงพ่อแ้าก็เพิ่งรู้ว่าเออมันมีด้วยหรือแต่ถท่านก็คอยสังเกตดูเออมันมีรอยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอจงอ้างเนี่ยมันตามท่านมาอีกบินทะบาท แลท่านก็หันไปพูดกับจงอางว่านะทีหลังอย่าตามอตาตมามานะเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวนี้คนเยอะนะให้เลี้ยวให้ไปหลบไปอยู่ในป่าซะอยู่ที่นั่นมันปลอดภัยกว่าตัวปรกัมันก็เชื่อนะมันก็เชื่อแล้วก็ไม่กลับมาไม่ปลักไม่เลื้อยตามหลวงพ่ออีกเลยแต่นี่ไม่แปลกเท่ากับ ลูกศิหลวงพ่อชาองคหนึ่งนะอันนี้ก็อาจารย์พรหมวังโสก็เล่าแล้วบางทีอยู่ดีๆกาลังคุยกับพระอยู่เนี่ยมันก็จะมีจงอางตัวหนึ่งเลื้อยออกมาแล้วก็ชูคอสูงเลยพระรูปอื่นก็ตกใจนะแต่ว่าหลวงพ่อรูปนี้ท่านไม่กลัวนะมันชูคอใกล้ๆหลวงพ่อหลวงพ่อต้องก็เอามือตบหัวมันนะ แล้ก็บอกว่าอย่ามาเพ่นพานแถวนี้คนเขากลัวมันก็เชื่อแนละ้วก็ไปท่านเพิเห็นว่าเห็นแม้ว่าสัตว์นี่มันก็มีความรับรู้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเป็นความรับรู้ที่จํากัดทําให้ไม่สามารถที่จะมาทําความดีอย่างเต็มที่เหมือนมนุษย์ได้มนุษย์เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยมีความสามารถ นะมากทีเดียวไม่มีขีดจำกัดต้องพูดอย่างนี้ความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัดเพราะว่าถ้ามีขีดจำกัดก็จะไม่มีบุคคลมหาบุรุษอย่างพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็คือปุถุชนก็เคยเป็นปุถุชนก็เป็นมนุษย์นะที่มีทุกอย่างเหมือนกับเราในขณะนี้แต่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ฝึกตนอย่างถึงพร้อม บำเพ็ญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาหรือว่าให้ละเอียดกันะคือว่าท่านบำเพ็ญบารมีนะสบเริ่มจากทานนะแล้วก็ชาติสุดท้ายของท่านก็คือการบำเพ็ญทานก็คือพระเวสสันดรนะทานนี้ก็เป็นทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่สุดนะของการบำเพ็ญบารมี ที่พระสันดอนเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์นะก็เพื่อที่จะเป็นโอกาสในการบาเพ็ญทานครั้งที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าเป็นการสละอวัยวะหรือสละชีวิตพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านได้สละชีวิตมาหลายครั้งแล้วหลายชาติแล้วบางชาตินี่ก็สละชีวิตให้กับ แม่เสือที่หิวมันหิวจกนกระทั่งจะกินลูกน้อยพระโพธิสัตว์เห็นก็ไม่อยากให้ลูกน้อยได้เดือดร้อนก็เลยยอมสละชีวิตให้เป็นอาหารแกเสือเสือก็เลยแม่เสือก็เลยเอาอาหารไปไปเลี้ยงลูกน้อยได้และตัวมันก็เลยไม่ไปทำบาปด้วยการฆ่าลูกตัวเอง อันนี้ก็เป็นทานบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้บําเพ็ญมานานแต่ว่ายังมีสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการสละสิ่งที่ตัวเองรักก็คือลูกคือลูกและเมียการสละสิ่งที่เป็นอวัยวะของตัวเนี่ยสำหรับพระเวสันดอนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยากพระเวสันดอนเคยตั้งปณิธา้ตั้งแต่เล็กว่า แม้ใครจะมาขอตาก็จะให้คือการให้อวัยวะของตัวเป็นเรื่องง่ายสำหรับพระเวสสันดรแต่สิ่งที่ยากคือการสละลูกและเมียแต่ว่าโชช ก, ก็มามาทดสอบนะมาทดสอบพระเวสสันดรว่าจะมีะจิตมุ่งมั่นแค่ไหนในการบำเพ็ญพระโพธิญาณคือถ้าผ่าน บททดสอบนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระเวสันดอนก็สามารถที่จะผ่านมาได้ถ้าคนสมัยนี้ไม่เข้าใจไปคิดว่าพระเวสันดร น, นี้น ะ, ะไม่รักลูกรักเมียนะที่จริงรักมากรักยิ่งกว่าชีวิตของตัวแต่ก็รู้ว่านี่คือบททดสอบสําคัญที่จะทําให้ พระองค์เนี่ยสามารถบรรลุธรรมหรือตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่เพราะว่าในชาติต่อมาก็ต้องก็ต้องยอมยอมทิ้งลูกทิ้งเมียเหมือนกันนะพว่เราคงทราบนะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถานี่จะจ ะ, จะทิ้งประสาทนี่ไม่ยากจะทิ้งราชบัลลังก์ไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือทิ้งลูกพระลาหุนนะแล้วก็ยากลองลงมาคือทิ้งเมีย แต่ก็ก็ต้องตัดใจเพื่อหวังประโยชน์ของส ร, รพพสัตต์ไม่ใช่เพื่อของตัวเองแต่เพื่อประโยชน์ของสรัรพพสัตต์คือการบรรลุธรรมตัดสรุปเป็นพระเจ้าและเมื่อตัดสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนอกจากช่วยสรรพสัตต์แล้วก็ยังกลับมากลับมายังกุกบิระพัทแล้วก็โกรธนะพนางยโสทราปโปรดพลาหุน จนกทั้งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่รวมทั้งพระเจ้าสุดท OTH นรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในช่วงขณะที่จะใกล้ตายใกล้หมดลมอันนี้ก็เล่าเรื่องมาเพื่อที่ให้รู้ว่าไอ้การที่คนเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความสามารถต้องเรี้ยวไม่มีขีดจํากัดก็ได้โดยเพราะความสามารถในการทําความดี ความสามารถในการทำความชั่วแล้วก็มีขีดจํากัดก็ไม่มีขีดจํากัดเหมือนกันนะสามารถจะทําร้ายทาลายล้างคนได้เป็นสิบสิล้านคน20ล้านคนฮิตเลอร์นี่ก็ยังทําให้คนตายน้อยกว่าสตาลินหรือว่าเหมาเสออีกแล้วก็คงจะมีคนรุ่นต่อไปที่สามารถจะทําลายล้างมนุษย์ด้วยกันได้เหมือนกัน แต่ว่าในเรื่องการทำความดีเราก็สามารถจะทำได้มากมายเการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มีโอกาสมาสัมผัสพุทธศาสนาแล้วก็มีกําลังวังชามากพอที่จะได้มาปฏิบัติธรรมอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากหลายคนอยากจะทาเหมือนเราแต่ทำไม่ได้เพราะว่าสุขภาพไม่อำนวย มีภาระเรื่องงานการมีภาระพ่อแม่ลูกหลานบางคนก็มีอายุมากไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตในวัดได้แต่พวกเรามีโอกาสและเมื่อมีโอกาสแล้วก็ขอให้ทำความมีความเพียรในการทำความดีแล้วก็ควรทราบประการทำความดีในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่ควรจ ะ, ะจำกัดที่ทานแล้วก็ศีลเท่านั้น แต่ว่าเราสามารถจะทำได้มากกว่า น, นั้นที่จริงเรื่องทานและศีลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าในหลายสังคมในหลายวัฒนธรรมเขาก็ไม่ให้ค่ากับเรื่องการรักการให้ทานการรักษาศีล น, นะบางทีเราก็จะสืบเรื่องธรรมดาว่าเออคนหนึ่งชาวบ้านเกิดชาวบ้านตื่นขึ้นมาแล้วก็มาใส่บาตรถวายพระนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามันสาหรับคนไทยแต่ว่าในวัฒนธรรมอื่นใช่วัฒนธรรมตวันตกนี่เป็นเรื่องแปลกเขามาเห็นชาวบ้านใส่บาตรพระเขก็ถือเป็นเรื่องแปลกแลวใส่บาตรแล้วเนี่ยคนที่คนขอบคุณคือผู้ใส่บาตรนะไม่ใช่ผู้รับนะผู้รับก็ขอบคุณเหมือนกันแต่ว่าผู้ให้นี่ก็ขอบคุณที่ได้มีโอกาสทำบุญเช่นการที่เราได้มา ได้มามีใจฝ่ทาบุญรักษาศีล น, นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่หลายคนก็สนใจแต่ทำบุญแต่ว่ารักษาศีลก็ไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหรนะ่ที่จริงการให้ทานและการรักษาศีลเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยเมื่อเราให้ทานเรารักษาศีลนะผู้ได้รับทานแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้เราก็ได้รับประโยชน์ เพราะเราก็จะเอื้อเฟื้อเราไม่เบียดเบียนใครนะจากขณะเดียวกั น, น, นการทำเช่นนั้ น, น, นก็ทำให้จิตใจเราเป็นสุขนะจิตใจเราเป็นสุขแล้วเนี่ ย, ยก็ยังปิดโอกาสที่จะมีมีภัยมาเบียดเบียนคนเราเพอทำความดีแล้วเนี่ยไม่ทำชั่วเนี่ยภัยที่จะมาถึงตัวนี่มันก็น้อยลงนะไม่ตรงข้ามถ้าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เป็นคนที่ไม่รู้จักให้ทานเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบผู้อื่นมันก็จะมีภัยมาถึงตัวหรือถึงแม้ยังไม่มีภัยมาถึงตัวก็มีความมีความร้อนใจร้อนใจว่าเขาจะมารังแกเขาจะมาล้างแค้นการทำบุญที่เรกว่าให้ทานรักษาศีลเนี่ย แต่ว่าไปมันก็เหมือ น, มนกับกำแพงที่คอยป้องกันภัยอันตรายต่างๆไม่ให้มาถึงตัวนะอย่างที่เขาว่าเนี่ยยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะให้ทารักษาศีลแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถป้องกันภัยอันตรายได้ร้อยเปอร์เซนแะม้แต่พระพุทธองค์ ก็ยังมีภัยมาเบียดเบียนมีพระเทวทัตมารังควานมีพวกอัญญะเดริถีหรือนักบวชในนิกายในศาสนาอื่นมาคอยใส่ร้ายหาว่าพระองค์ไปฆ่าผู้หญิงบ้างหาว่าพระองค์ไปทำเขาท้องบ้างอันนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะมีมาทุกยุคทุกสมัยว่าคนทาความดีนะ มีน้ำใจเอื้อเฟื้ อ, อก็ยังมีภัยมาถึงตัวได้แต่ว่าภัยมันน้อยลงแต่แม้จะน้อยเพราะมีกำแพงแห่งธานและศีลคอยป้องกันแต่ว่ามันก็ยังมีที่หลุดหลุดมาถึงตัวได้เรืออย่างน้อยๆนะก็ต้องเจอความพัดพลาดสูญเสียคนทำความดีแค่ไหนก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องเสียพ่อเสียแม่หรือบางครั้งก็อาจจะเสียลูก บางครั้งก็จะเสียพี่เสียน้องนะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเพราะทุกคนเนี่ยต้องมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องแม้จะไม่มีลูกแต่ก็มีหลานและคนเหล่านี้ก็พร้อมจะล้มหายตายจากก่อนเราได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เรียกเป็นภัยเหมือนกันนะเพราะว่ามันคือความสูญเสียความพัดพรากอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าใครทาความดีแค่ไหนก็ต้องเจอ และนอกจากความพัดพ่าแล้วก็ต้องเจอความเจ็บป่วยด้วยถ้าทำความดีแค่ไหนก็ต้องป่วยนะไม่ใช่ว่าทาดีแล้วให้ทารักษาศีลเต็มที่เราจะไม่ป่วย <c oughs> ก็มีโอกาสป่วยได้เพราะว่าความป่วยนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นใครที่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะพอพะ ว, ว่าตัวเองเป็นมะเล็งก็ดี <c oughs> เป็นโรคปัจใจก็ดี <c oughs> ก็จะตีโพยตีพายว่าทาไมต้องเป็นชั้นนะ ฉันทำความดีมาตลอดทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งอันนี้ก็เพราะเขาไม่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมันพร้อมจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะแม้แต่พระอรหันต์นะก็ไม่ละเวน้นนะพระอรหันต์ที่เป็นมะเร็งมะะนะรณภาพปภะมะเร็งก็เยอะแม้แต่พระพุทธองค์นะ ก็มีพระชนชีพเพียงแค่80เพราะว่าโดนโรคภัยเบียดเบียนดนั้นความเจ็บความป่วยความแก่เนี่ยมันก็เป็นเป็นภัยอย่างหนึ่งที่สามารถจะมาถึงตัวได้ทุกเมื่อความแก่อาจจะค่อยๆมาเทลญนิชเชละนละหน่อยแต่โรคภัยอาจจะมาแบบปุบ ป, ปับก็ได้ดงนั้นทำความดีให้ทารักษาสี่งแค่ไหน ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดพ้นจากภัยเหล่านี้ความพัดภาคสูญเสียสูญเสียคนรักนะหรือว่าต้องตัวเองต้องเจ็บต้องป่วยเองและในที่สุดไม่ว่าทำความดีแค่ไหนให้ชารักษาสิ่ในในสุดก็ต้องตายไม่ใช่ว่าทำดีแล้วจะไม่ตายทำดีก็ต้องตายนี่ก็คือภัยอีกอย่างนึงที่ต้องเจอกำแพงแห่งธานและสีไม่สามารถจะป้องกันภัยเหล่านี้ได้ อาจจะป้องกันได้สัก 90% ้าอีกสิ็มันก็จะมาถึงตัวได้แล้วก็หนักๆทั้งนั้นนะเจนความพัดพรากสูญเสียคนรักความเจ็บความป่วยแล้วก็ทั้งความตายแต่ว่ามันก็มนุษย์เรายังมีโอกาสอีกอย่างนึงคือการสร้างกําแพงที่เกิดจากภาวนานะถ้าเรารู้จักภาวนาคือการฝึกจิต ให้มีสติมีปัญญามีสมาธิมันก็จะเป็นกำแพงที่ทำให้ภัยเหล่านี้เนี่ยเช่นความพัดพลากสูญเสียความเจ็บความป่วยหรือแม้แต่ความตายเนี่ยไม่สามารถที่จะกระแทกกระทันจิตใจได้คือมันมากระทบแค่กายมันมากระทบแค่ข้าวของทรัพสมบัติมันมากระทบแค่คนที่เรารักแต่ว่าไม่สามารถจะกระเทือนมาถึงใจเราได้ ลำพังแค่ฐารศีนเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันภัยเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยไม่ให้มากระเทือนมากระทบถึงเราได้แต่ถ้าเรามีกำแพงแห่งความดีที่เกิดจากภาวนาภัยเหล่านี้มันก็จะไม่สามารถทําให้เราทุกข์ใจได้เช่นถ้ามีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันเป็นธรรมดาที่ต้องพัดภาคสูญเสียจิตใจก็ไม่ทุกข์ยังมีเรื่องมีเรื่องหนึ่งเป็นเป็นเป็นชาดกก็เป็นเรื่องเล่าแต่ก็สอนใจดีมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะก็เป็นผู้ฝ่ายรมแต่เป็นชาวนาทุกเช้าเนี่ยคนที่เป็นพ่อกับลูกชายและพี่ชายก็จะไปทานา นะพอตอนบ่ายตอนตอนบ่ายลูกสาวก็จะมารับอาหารที่แม่แล้วก็พี่สะั้ยทำให้<ไ>ก็เป็นเช่นนี้เสมอมาแต่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าตัวลูกชายโดนงู ก, กัดตายพ่อแทนที่จะ ตกใจเสียใจก็เพียงแต่บอกลูกสาวว่ากลับไปบ้านแล้วก็บอกที่บ้านว่าเอาอาหารมาแค่สองคนนะคือเอาเอาอาหารมาให้สําหรับพี่ตัวลูกสาวแล้วก็พ่อแล้วก็บอกทุกคนที่บ้านให้ให้พร้อมกันมาที่ที่นาด้วยคือเพื่อมาทํางานศพแต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าจะมาทํางานศพ พอลูกสาวเนี่ยกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าอาหารมันที่ทําแค่สองคนนะนะแล้วก็ให้มาที่นาด้วยทุกคนก็รู้แล้วว่าคงต้องมีเหตุลายก็ไม่ได้เสียใจอะไรเมื่อมาถึ ง, งก็พบความจริงว่าอ๋อลูกชายเสียไปแล้วคนที่ส่วนภรรยารู้ว่าเสียสา ม, มีก็ไม่ได้ร้อนใจไม่ได้ทุกร้อนอะไรก็ทํา พิธีเผาศพทำเดี๋ยวนั้นเลยเผาศพตรงกลางกลางทุ่งนาไม่มีใครร้องไห้สักคนก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเดินผ่านมาก็ถามว่าใครตายเนี่ยพอสังเกตว่าไม่มีใครใร้องไห้เลยทีแรกก็นึกว่าเป็นคนใช้ตายหรือเปล่าแต่พอรู้ว่า เป็นลูกชายตายแต่พ่อไม่ร้องไห้แม่ไม่ร้องไห้สามีตายภรรยาไม่ร้องไห้ก็เลยแปลกใจว่าทําไมถึงไม่ร้องไหนะ่พ่อก็บอกว่าเขาตายไปแล้วเหมือนนูลอกคราบนะร้องไห้ไปเขาก็ไม่รับลูกหรอกเขาก็ไม่รับรู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจก็ไม่รู้จะร้องไห้ไปทําไมส่วนคนที่เป็นแม่ก็บอกว่า เวลาเขามาเขาก็ไม่ได้บอกก่อนเวลาเขาไ ป, ไปเขาก็ไปตามทางของเขารนะ้องไห้ไ ป, ไปเขาก็ไม่รับรู้ความเศร้าโศกเสียใจก็เลยไม่รู้จะร้องไห้ไปทําไมตัวภรรยาก็บอกว่านะ ตัวตัวน้องสาวก็บอกว่าร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ออกกับคนตายก็เหมือนกับร้องไห้เอากระต่ายจากพระจันทนระ์ร้องไห้เอากระต่ายจากพระจันทร์ยังไงมันกไ็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้จะร้องไห้ไปทำไมนะตัวภรรยาก็ให้ผลว่าที่ไม่ร้องไห้ก็เพราะว่ามันก็เหมือนกับแก้วที่แตกไปแล้ว ยังไงก็ไม่มีทางที่จะสมานกันได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครร้องไห้สักคนเพราะว่าเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจดีว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตอันนี้ก็เกิดจากปัญญาล้าปัญญาจะเกิดได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากภาวนาจนกระทั่งเห็นความจริงของชีวิตหรือที่พวกเรามาเจริญสติกันเนี่ย มันก็เป็นการนะเป็นการเตรียมใจเพื่อมีภูมิคุ้มกันอย่างที่พู้อิศาไว้แล้วเมื่อวันอาทิตย์นะว่าคนเราต้องมีภูมิคุ้มกันความทุกข์เพียงแค่ภูมิคุ้มกันโรคภัยภูมิคุ้มกันเชื้อโรนี่ไม่พอต้องมีภูมิคุ้มกันความทุกข์ด้วยสติและปัญญาเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์ความทุกข์มีอยู่รอบตัว แต่ว่าไม่สามารถจะทําให้เราทุกข์ได้ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์เหมือนกับเชื้อโรคอ่ะเชื้อโรคมีอยู่รอบตัวเราแต่ว่ามันทํำให้เราไม่ได้เพราะว่าเรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคนะการบําเพ็ญภาวนาเจริญสติวิปัสสนาก็ดีสมถะกรรมฐานก็ดีเพราะนี่ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันความทุกข์ว่าเป็นการสร้างกําแพงกําแพงที่จะทำให้ ภัยอันตรายต่างๆหรือความทุกข์เนี่ยไม่สามารถจะมาเบียดเบียนจิตใจได้ฉังนั้นก็อยากจ ะ, ะให้พวกเราตระหนักว่าสิ่งที่เราทำในช่วงอาทิตย์นี้นะมันมีประโยชน์มันเป็นโอกาสที่หายได้ยากแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะช่วย ทำให้เราปลอดภัยจากความทุกข์นะไม่ใช่ว่าไม่มีทุกข์มากระทบแต่ว่าสามารถจะอยู่เหนือทุกข์ได้ทุกข์ยังมีอยู่นะทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าสามารถจะอยู่เหนือทุกข์ได้นะอันนี้คือความสามารถของมนุษย์นะเป็นศักยภาพที่เราทุกคนก็มีกันทั้งนั้นนะ แล้วก็ขอให้เรามีความมีความตั้งใจแล้วก็ใช้ความเพียรในการปฏิบัตินะอย่างเต็มที่แล้วก็คำนี้ก็พูดทาน่ีกลับพร้อมกัน